สิกขาบทวิพัง894คําคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคาว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คําว่าของภิกษุณีได้แก่ภิกษุณีรูปอื่นที่ชื่อว่าจีวได้แก่จีวนชนิด อย่างใดอย่างคนาว่าเลาะคือเลาะด้วยตนเองคําว่าใช้ให้เลาะคือใช้พูดให้เลาะคําว่าภายหลังพิกษุนีนั้นผู้ไม่มีอันตรายคือเมื่อไม่มีอันตรายคําว่าไม่เย็บคือไม่เย็บด้วยตนเองคําว่าไม่ควรควายใช้พูดให้เย็บคือไม่สั่งผู้อื่นคําว่าพ้นสีถึงห้าวันคือเก็บไว้ได้สี่ห้าวันพอทอดธุระว่า เราจกไม่เย็บจะไม่ขวายใช้ผูดให้เย็บต้องอาบัดปาจิตตี